ชีวิตของเรามีตัวรู้กับตัวหลง เท่านั้นถ้ามีตัวรู้ตัวหลงก็ไม่มีต้นตอของอากุศลทั้งหลายมันเกิดจากความหลงหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโน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 เรียกว่าสติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสีก็คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติการเจริญสติเนี่ย mm hmm. ก็คือการสร้างตัวรู้นี่ mm hmm. เพื่อจะให้ตัวหลงนี่ไม่เกิดขึ้นถ้ามีตัวรู้มาแล้วก็ตัวหลงไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้น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 มันเปลอไปนิดหน่อยก็กลับมารู้ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดความหลงก็ย่อมมีอยู่อาจจะมีช่วงยะเวลาที่สั้นๆตัวรู้จะเกิดได้ยาวเมื่อหายไปก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้ง่ายสร้างตัวรู้เจริญสติบ่อยๆหนึ่งเนืองจะเกิดความเคยชินไม่ต้องทำที่ไหนทำที่ตัวเราเนี่ยที่กายที่จิต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 เนี่ยขณะปัจจุบันเนี้ยท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะฟังไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยนั่งอยู่บนรถยนต์ฟังธรรมไปแล้วก็เจริญสติไปด้วยขับรถก็เจริญสติได้แต่ว่าขอให้เอาสติเป็นผู้ขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ตสตาร์ตก็มีสติจับพวงมาลัยก็มีสติปิดประตูก็มีสติจะเข้าเกียร์เหยียบคลาดเหยียบัแค ล, ลง หยุดเบล ก, ก็มีสติรู้ตัวอยู่อยู่กับปัจจุบันอยู่การขับรถมีประโยชน์นะติดไฟเขียวไฟแดงอ้อรู้สึกตัวดูดดจิตดูใจเรามหงุดหงิดไหมเวลาที่มันเกิดไฟแดงใจมันรีบร้อนไหมกลัวจะไปไม่ทันบ้างแล้วก็คิดปรุงแต่งต่างๆอันนี้นำเอามาที่จะเจริญสติได้เพราะนั้นอย่าขับรถ ฟ, ฟรีๆอย่าคิดฟรีๆ รู้สึกตัวบกรยาการขับรถกับปัจจุบันในแดนงานของเรา เ, เราสามารถสร้างตัวรู้ได้ในการที่เราขับรถอันนี้เป็นการปฏิบัติการการรู้เนี่ยคอยรู้แต่ละขณะขณะรู้รูปก็รู้ที่จะพอะรูปในขณะนั้นนานจะไม่มสนใจในปัจจุบันนั้นเดี๋ยวนั้นเฉพาะหน้าเรารู้ได้ที่รูปเคลื่อนไหวก็รู้ตรงนั้นก่อนจะไ ม, ม่สนใจกับนาม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 แต่ละขณะขณะไม่ซ้อนกันอะไรเกิดก่อนรู้ก่อนอะไรเกิดที่หลังรู้ที่หลังสิ่งที่เกิดขึ้นจฉพหน้ารู้ตรงนั้นก่อนถ้าเราไปคิดรู้ในสิ่งที่มันยังไม่เกิดอันนั้นเป็นความคิดไม่ใช่ปัจจุบันเราพลาดปัจจุบันรู้เกิดก่อนรู้ก่อนน้ำเกิดก่อนรู้นา้ารู้กายเคลื่อนไหว เ, เนี่ยเกิดก่อน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 มันก็จะไม่ค่อยสนใจสิ่งภายนอกดูตัวเองให้มากๆดูข้างนอกน้อยๆสติจะเกิดขึ้นอันนี้คือการปฏิบัติคือการดูตัวเองถ้าเราทำไปทาไปเจอสติไปเรื่อยๆจิตใจมันเริ่มผ่อนคลายเริ่มสบายๆทุกข์ลดลงเนี่ยแปลว่าถูกทางแล้วแต่ถ้ายิ่งทำยิ่งทุกข์ยิ่งทำยิ่งเครียด ยิ่งทำยิ่งสงสัยยิ่งฟุ้งซ่านคือยิ่งทําเนี่ยทุกยิ่งเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่ถูกทางแล้วต้องแก้ไขใหม่ฟังใหม่เปลี่ยนใหม่เริ่มต้นทําใหม่ยิ่งทําตัวยิ่งสบายสบายมาท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยิ่งทําไปจริงยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ไม่เห็นได้ผลอันนี้ถือว่าอาจจะไม่ถูกทางก็ได้อาจจะเพ่งเกินไป ตั้งใจมากเกินไปจะเอาให้ได้จะรู้ให้ได้มีตันหาฉาบทาอยู่เบื้องหลังเพื่อให้มันชัดเจนอะไรอย่างี้นะมันทำให้จิตใจมันเครียดตั้งใจจนเกินไปเอาจิงเอาจังจะมีอาการเพ่งจ้องอันนี้เกิดจากตันหาจะไม่มีความสุขการปฏิบัติจะไม่สะดวกไม่ผ่อนคลายนี่จะบอกได้เลยว่าเนี่ยเราเพ่งเกินไปแล้วบางคนถามว่าเอ๊ะ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 ทำลายครูสอนธรรมะเขาแล้วอาการอยู่แล้วอุปรสรรคต่างๆเนี่ยให้เรามาเรียนรู้อย่างเช่นความทุกข์เนี่ยทุกเขเวทนาทางกายเนี่ยบางคนบอกมันแย่เลยเป็นอุปสรรคเลือเกินปฏิบัติไม่ได้ทุกทางกายนี่แหละเป็นครูสอนธรรมะได้อย่างดีเลยเป็นครูสอนธรรมเพราะกายเขาบอกบอกตรงๆว่าเขาเป็นทุกข์แล้วบอกตรงๆ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 อันนี้คือหลักในการสอนนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยสร้างบรารมีธรรมโดยการปฏิบัติธรรมแต่เราติให้มากๆจะได้เกิดปัญญาเปรนเสมือนมีน้ำเอาไว้ดับไฟคือกิเลสและกองทุกที่จะมาถึงเราในวันข้างหน้าสืบต่อไป